เขาอยู่ใกล้ห้องน้ำพอเดินข้ามจะผ่านคลองไปแล้วก็ไปนั่งร้วยม่ไม่เหม็นเหม็นช่วมเอยทำไมอยู่ได้เน่มันเหม็นช่วมเหรอเอ้ยไม่เห็นเหนม็ห น, มนอะไรเลยเออสูดหาสูรทรหากิ่เอ้ยไม่มีอ่ะเพราะเขาติดเข า, าไม่รู้อ่ะมันเหม็นเพราะมันติดเพราะมันติดกลิ่นมันเคยกินเราหลงเราเคยกินกับความหลง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 เอาหยิงขนาดไหนก็เลือกได้ผู้หยิงมาขอแต่งานเลือกได้ทัพย์สมบัดิมากมายมหาศารตั้งแต่เกิดมาคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินได้ยินแต่คำว่ามีทังนั้นอะไรก็ตามให้เหมือนวัดป่าสุโโตนะอะไรที่มีเยอะแยะหลายอยา่างแต่รัฐบาลคำว่าไม่มีไม่เคยได้ยินตั้งแต่เกิดมา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 ดูห้องนอนแม่เดินไปดูที่ที่เราเคยอยู่มีห้องฟ้าอะไรบ้างเล็กน้อยเห็นแม่อยู่ไปได้เดี๋ยวนี้แม่กล้าไปแล้วไม่กียน้อยใครอยู่ด้านหลานเขยเขาไม่รู้เรารเขาเจะว่าร้องตามาเลยเน้อเนี่ยเขาจะว่าอาน้องสาวก็มีอยู่จริงแต่น้องสาวไม่เป็นเจ้าของแล้วน้องสาวมีลูกสาว ลูกสาวคนเดียวก็าเอาเอาผัวแล้วสามีใหม่เพาะว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นแล้วเราไปก็ไม่เหมือนแม่ยังอยู่กอไม่ควรไปเลยทั้งๆั้งที่บ้านเราทําเองมันเปลี่ยนเงินใช้เฉยเใช่ไหมบ้านเราทำเองแต่มันเปลี่ยนเงนใช้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครเป็นเจ้าของย่อมละไปทิ้งบ้าน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 มีเมียเล่าที่เมีหนีไปมันคด ค, คนก็ทุกข์พระมันคตมีเมียเล้วตายนีจจากกันไปเอาคนก็ทุกข์พรามันโคตรด้านก็ยังของจริงเมื่อบันไม่ป้องกันได้ชีวิตหายใจเข้ามาออกก็ตายหายใจออกไปก็ตายเราพัดอย่างมันไม่ซื่อเรามารู้ซื่อๆเสาะสติเดิเป็นตัวซื่อๆ อ, อย่างนี้เอาไหมความซื่ อ, อ, อแบบนี้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 กลับรถไปเรียนเอารถไปจำนำเมียต้องตามไปใส่เป็นทุกชวนกันมาเลิกเล่าไอ้หลวงพ่อบอกรับปากกับหลวงพ่อหลวงพ่ อ, อเขาบอกว่าว่าเขาจะเลิกถ้าเขาจะเลิกก็สัญญากันวกาเราสาธุความกันสาธุทั้งลูกทั้งเมียทั้งคนที่จะเลิกเล่าาก็สาธุมันไม่ซื้อมันไม่ซื้อเล่าบอกก็ติด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 เขาไปศึกษาธรรมะคนโบราณไปศึกษากับอาจารย์เชนอาจารย์ครับความกวดเป็นไปยังไงความโลภความหลงเป็นยังไงเขาตอบยังไงเราไม่ชี้น้อยอาจารย์ตอบยังไงอาจารย์เชนความขวดเป็นยังไงครับความหลงเป็นงไงครับอาจารย์เชนกู ว, กว่าพวกไม่เท่าตีหัวโปเลยไอย้คนมาถามโกรธขึ้นมาหน้าบูดหน้าเบ่งขึ้นมา เ, เก็บหัว